เทศวันนี้เทศเรื่องนี้ปัศสศนาคือแยกแยะส่วนต่างๆของร่างกายออกเป็นธาตุออกเป็นขันออกเป็นอายตนะออกเป็นธาตุเป็นขันเป็นอายตนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นของทนอยู่ไม่ได้เป็นของไม่มีตัวตนที่แท้จริงเรียกว่าอนัตตา ธาตุตัวของเราคนหนึ่งหนี่นประกอบด้วยธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟส่วนไหนที่เรียกว่าเป็นดินผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, าาม้ามตับปอด ไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอันนี้ส่วนนี้เรียกว่าดินตายแล้วก็ลงไปเป็นดินอันนี้ส่วนที่เป็นน้ำน้ำดีอยู่ในตัวเราน้ำเสลน้ำเลือดน้ำหนอง น้ำดีน้ำเศษน้ำเลือดน้ำหนองน้ำเหลืองน้ำโมกน้ำลายน้ำมันไขข้ออันนี้ส่วนนี้เรียกว่าน้ำก็ไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่ตัวเราเหมือนกันน้ำกับดินผสมกันอยู่ได้ กายนี่ก็ยังไม่แตกสลายถ้าน้ําน้อยไปเช่นเป็นโรคอหิวาย่างงน้ําหมดจากร่างกายตายเหมือนกันตายได้เหมือนกันรักษาไม่ทันตายเลยต้องเขาน้ำเกลือต้องอะไรเพรน้ําหมดจากร่างกายอันนี้ส่วนที่เวียด น, นาม ชนที่เป็นน้ำนี่ไม่ไม่มีอยู่ที่อื่นละอยู่ที่ตัวเรานึ่งนี่สองถาดลวถาดไฟไฟยังกายให้เราร้อนไฟยังกายให้อบอุน่นไฟให้ย่อยอาหาร ธาตุไฟธาตุลมลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจออกลมหายใจเข้านี่ส่วนที่เป็นลมในตัวของเราคนหนึ่งนี่มีส่วนประกอบอยู่ร่างกายนี่มีส่วนประกอบอยู่ยออยดินน้าลม ไฟส่วนประกอบอย่างนี้เราแยกออกจากกันมานดินเอาไว้พอดินเอาไว้ต่างหากน้ำเอาไว้ต่างหากไม่ให้ผสมกันลมก็เอาไว้อีกส่วนหนึ่งไฟก็เอาไว้ส่วนหนึ่ง ความอุ่ในร่างกายทั้งหลายเอาออกกายนี้ทรงอยู่ได้ไหมไม่ได้ต้องตายแตกสลายเลยแค่แต่ลมไม่มีเท่านั้นเองก็ตายแล้วลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ได้ตายลมหายใจออกลมเข้าไม่มีตายแค่เนี่ย ความเป็นความตายของคนอยู่แค่ว่าลมไม่มีคือลมออกก็ไม่ได้ลมเข้าก็ไม่ได้ก็ตายเห็นไหมคนจมน้ําตายลมออกก็ไม่ได้ลมเข้าก็ไม่ได้ตายเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นให้พิจารณาลงมาที่ตัวเราว่าตัวเรานี่ประกอบด้วยธาตุสี่แต่ว่าธาตุที่ ห้าที่หกนั้นอันนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ใช่ธาตุกรรมฐานแต่ธาตุกรรมฐานมีเสียอันนี้เท่านั้นกรรมฐานคือการเอามาพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือมันไม่เที่ยงมันทรงอยู่อย่างนั้นไม่ได้ตลอดไปแล้วมันไม่มีตัวตนสาระแก่นสารที่จะ ย, ยึดถือเอาว่าเป็นเราเป็นของของเราได้ นี่แหละท่านให้พิจารณาอย่างนี้ส่วนอีกธาตุหนึ่งคือวิญ ญ, ญาณธาตุกับอากาศธาตุอากาศธาตุคือช่องว่างในร่างกายเออวิ ญ, ญญาณธาตุคือวิญญาณที่เรามายึดถือเอาตัวนี้เอาอ้างนี่ขัด น, นี่ว่าเป็นตัวตนของเราของเราแต่พอลมหมดหายใจไม่ได้แล้วนั่นแหละ ปิญญาณธาตุก็อยู่ไม่ได้ต้องไปสู่ภพภูมิใหม่ต้องไปเกิดอีกถ้าไม่ปฏิบัติธรรมไม่ทำความภาคความเพียรโอกาสที่จะไปเกิดอีกนะ่มันมีมากเกิดนานแสนนานโ้ยเป็นกับกบกันกันเจ้าประคุณเลย เทียวเกิดเที่ยวแก่เทียวเก็บเที่ยวตายนั่นแหละไม่เข็ดไม่หลาบสักทีเกิดมามีโทษไงจำไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เอามาพิจารณาบ่อยๆว่าตัวตนของเราเนี่ยมันประกอบด้วยส่วนสำคัญที่เป็นกรรมฐานเนี่ยสี่อย่างคือส่วนที่เป็นดิน ส่วนที่เป็นน้ําส่วนที่เป็นลมส่วนที่เป็นไฟมีอยู่ในกายนี้อันนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของทนอยู่ไม่ได้เป็นของที่ไม่ไม่มีตัวตนสาระแก่นสารที่เราจะยึดถือว่าเป็นของเราของเราได้อีกเลยเรียกว่าแยกขันออกจากกันหรือแยกธาตุออกจากกัน ให้เราเห็นชัดลงไปในตัวของเรานี้เห็นชัดชัดลงไปนี่แหละอันนี้ท่านเรียกว่าธาตุกรรมฐานพิจารณาเห็นเป็นอันนี้จังทุกขังอนาตตาพิจารณาเห็นเป็นธาตุเอ่อเป็นอายตนะอายตนะคือตา สองข้างเนี่ยเอาออกหูเอาออ ก, อออกถ้าสองข้างเนี่ยเอา อ, อกจมูกตัดจมูกออกปากลิ้นเอาออตาออกที่เหลือก็เป็นกายเอาตาหูจมูกลิ้นกายออกจากกันแยกออกเป็นส่วน ไม่ให้ผสมกันได้ตาไว้พอตาหูไว้พอหูเอาไว้คนละส่วนละส่วนตาหูจมูกลิ้นที่เหลือก็เป็นกายเนี่ยส่วนประกอบของคนมีเท่านี้แหละส่วนที่เป็นนามธรรมาคือรูปก็คือนามที่นามธรรมานะ่ะ ก็คือใจของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ประกอบเป็นคนคนหนึ่งใจเป็นนามธรรมา ท, ที่เหลือทั้งหมดเป็นรูปธรรมเป็นรูปเป็นลางมีตัวตวนจับต้องได้ส่วนวิญญาณธาตุไม่มีวิธีไหนที่จะจับได้เป็นผู้รู้เป็นตัวรู้ ที่เข้ามายึดถือเอากายเนี่ยเป็นของเราของเราแต่พอกายแตกสลายแล้ววิญญาณธาตุก็ไม่อยู่ก็ไปสู่ภพภูมิอื่นไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตดิา萨สัตนาโลกเพราะอำนาจบาปอกุศลที่ทำไว้ไปสู่มนุษย์ไปสู่เทพเทวดาไปสู่พรม ไปที่ผ่านอฝ่ายดีแหละเนี่ยคิดเอไปยึดถือเอาทางนี้อันนี้อํานาจของความดีให้ผลเป็นสุขให้เราพิจารณาดูตัวเราประกอบส่วนในเพียงเท่านี้แหละ ให้พี่นาให้เห็นชัดตัวเรานี่เป็นยังไงไม่ว่าเป็นอะไรมันก็ไม่เที่ยงสักอย่างไม่เที่ยงสักอย่างลูปก็ไม่เที่ยงนามก็ไม่เที่ยงลูปเป็นทุกข์ลูปเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนที่จะยึดถือเอาว่าเป็นของเราของเราได้ ให้พี่นาเข้ามาที่ตัวเรานี่ให้เห็นชัดตามความเป็นจริงก็จะรู้แจ้งว่าโอ้ทุกเป็นอย่างนี้เองเหตุเกิดทุกเป็นอย่างนี้เองให้เราเห็นชัดเห็นชัดในเรื่องตัวของเรานี่แหละ ไม่ใช่เห็นสัตว์ที่คนอื่นสัตว์อื่นหรอกเห็นตัวของเราเนี่แหละเป็นอย่างนั้นเราก็จะวางความยึดความถือได้จะมีความสุขใจจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานถ้าเรารู้ชัดปับ๊บด้วยใจของเราใจมันก็วางวางความยึดความถือเหล่านั้น เอเนโออันนี้มันอยู่ตามกฎธรรมชาติธรรมดาของมันอายุร้อยปีเป็นประมาณในที่สุดก็ต้องแตกสลายตายไปทับถมแผ่นดินอันนี้ให้สูงขึ้นนี่แหละมันเป็นอย่างนี้จะดีขนาดไหนเก่งขนาดไหนวิเศษสูงสุดขนาดไหน ก้นนี้ไม่พ้นจากความจริงเหล่านี้คือความแตกสลายนี่นี่แหละเพราะฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณาบ่อยๆกิตเราเป็นสมาธิแล้วพอเพียงแล้วสำหรับที่จะน้อมโนไปเพื่อพิจารณาธาตุขันธ์อันนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวมีตนที่แท้จริง เราจะสำคัญมั่นหมายว่านี่คือของเราของเราได้ยังไงสักวันหนึ่งมันก็แตกสลายไปแล้วมันไม่เป็นของเรามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ตัวตนของเรามันแต่เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายดับไปเหมือนน้ำบนใบบอนหรือน้ำบนใบบัว พอต้องแสงพ้าอาทิตย์ก็เหือดแห้งหายไปเหมือนพะยับแดดมองดู ไ, ไกลๆนี่เกิดนเมษาเนี่ยมองดู ไ, ไกลๆเหมือนมีตัวมีตนยิบยับยิบยับย บ, ย บ, ยบแต่พอเราเข้าไปใกล้ก็ไม่มีหายไปนั่นเรียกว่ามันไม่แน่ไม่นอนมันไม่มีตัวตวทนที่เราจะเข้าไปยึดถือว่านี่ของเรานี่ของเราได้ ตัวของเราเนี่แหละจะไปนโลกสวรรค์อะไรต่างๆก็พ่อมาใสายกายนี่แหละทำความดีความชั่วเพราะฉะนั้นจึงให้พิจารณาให้ดีเพราะความเกิดขึ้นเป็นคนนี่เป็นของเกิดได้โดยยากกว่าจะได้เป็นคนยากเสียากพอได้เป็นคนแล้วที่จะมีศรัทธาทําคุณงามความดีนี่ ก็ออยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนในโลกกระาตอันนี้แบ่งเป็น4ี่ส่วนสามส่วนไปสู่ไบยภูมิอีกส่วนหนึ่งไปสู่สุคติภูมิที่ไปสู่ไบยภูมิไปเป็น สัตดิสารเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกมากตั้งสามส่วนนวน่ะแต่ที่ไปเป็นเทพเป็นเทวดาหรือมาเกิดเป็นมนุษย์ไปเป็นอินเป็นพรมสำเร็จมากผลที่ผ่านน่ะมีส่วนเดียวเนี่ยคนที่ไปสู่ภูมิอันต่ำ ต่ำกวความเป็นมนุษย์นะภูมิอันต่าเลยเหมือนขนโคนโ ค, นโคตัวหนึ่งมีขนเยอะไหมฮัลลไปสู่อบาายาภูมิ เ, เหมือนขนโคไปสู่ภูมิอันต่าอันเป็นทุกข์เป็นภูมิเดือดร้อนน่ะมันเหมือนกับขนโคลส่วนที่เป็น เขาสองเขาใช่ไหมโคตัวหนึ่งมีเขาสองเขานั่นไปสู่สุขติเท่ากับเขาโคลสองเขานี่ที่ไปสู่ใบยภูเหมือนเหมือนขนโคนมากไหมในบรรดาท่านทั้งหลายก็เหมือนกันเทียบแล้วก็เหมือนท่านทั้งหลายนี่เป็นผู้เลี้เล่นทั้งหลายนี่เป็นผู้เหมือนเขาโค ไปสู่สุคติภูมิเหมือนเขาเหมนขนเหมือนเขาโคเพราะฉะนั้นจึงควรพิจารณาไต่ต่องให้รอบคอบว่าคนเราเกิดมาแล้วนี่ไปสู่ภูมิที่ดีนี่เท่ากับเขาโคท่า น, นเองมีสองเขาแต่ไปสู่ภูมิที่ชั่วเดือดร้อนเป็นทุกข์ เหมือนขนโคเนี่ ย, ยลองพิจารณาดูเราท่านทั้งหลายที่มาปฏิบัติอยู่นี่เหมือนเขาโคถ้ารักษาไว้รักษาคุณธรรมที่ได้ไว้ไม่ให้มันเสื่อมเราก็ไปสู่สุขติภูมิได้มีชีวิตอยู่ก็มีความสุข พราะฉะนั้นให้พิจารณาให้ดีพิจารณาข้างนอกแล้วก็มาพิจารณาข้างในตัวเราตัวเราก็เหมือนกันกับคนทั้งหลายนะี่แต่พอได้ปฏิบัติธรรมมันก็ไม่เหมือนนะมันกับคนละแผนกันเพราะมีธรรมะในใจแล้วคือมีธรรมะเกิดขึ้นที่ใจแล้ว ให่ น, นี้ก็ไม่ไปสู่ใบ ย, ยภูมิไม่ไปสู่สู่ภูมันต่ำไปสู่ภูมิสูงคือมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวุธเทวดาอินผรมพั น, นิพานนี่แหละเพราะฉะนั้นให้พิจนาให้ดีไต่ตองให้ดีตัวตาดูให้ดีไม่มีใครที่จะ อยู่ตลอดการยาวนานได้ร้อยปีเป็นประมาณพระพุทธเจ้าของเราก็แปดสิบปีก็เสด็จดับคันปรินิพานพวกเราได้เจ็ดสิบแปดสิบร้อยปีนี่ถือว่าประเสริฐแล้วเรามีอายุยืนเพราะฉะนั้นมีอายุยืนวันหนึ่งก็ตามสองวันก็ตามขอให้ทําบุญทํากุศลไว้อย่าประมาท ขอให้หัดสมาธิไว้ให้ดีอย่าประมาทขอให้ตั้งใจทำความภาคความเพียรแม้กลับออกไปสู่ครอบครัวแล้วก็ตามค่อยๆรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกไว้อยู่เรื่อยเหมือนกับเราให้อาหารแก่ใจของเราพอเรากระโดดลมหายใจปั๊บ คือเราให้อาหารแก่ใจแล้วใจจะสงบเย็นทันทีนั่นอยู่ที่ไหนเราก็ปฏิบัติได้ทีนี้แต่ว่าไม่มีเวลาไม่ได้ให้คอยดูลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่เรื่อยเป็นการให้อาหารแก่ใจอยู่เรื่อยสมาธิของเราก็จะแก่กล้าขึ้น ปัญญาของเราก็จะคมชัดขึ้นสามารถสะสางหรือว่าสามารถตัดกิเลสที่เกิดขึ้นในใจให้ออกไปจากใจได้มีความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นตัดออกจากใจได้เรื่องพอโกรธก็ไม่โกรธเรื่องพอโลภ ก, ก็ไม่โลภเรื่องพอหลงก็ไม่หลงไม่เอาไม่ไปตามอำนาจกิเลส เอาใจสงบเป็นหลักเพราะนั้นก็คอยดูเรื่อยๆเหมือนคนเนี่ยกินข้าววันหนึ่งสามครั้งตื่นขึ้นมาอา้าวเช้ากินข้าวแล้วกลางวันกินข้าวแล้วตอนเย็นหรือตอนค่ำกินข้าวอีกแล้วเนี่เราเลี้ยงแต่ร่างกายแต่ใจเราพร้อมโชว์ ไม่ได้กินไม่ได้เสวยความสุขความสงบตายไปแล้วจะไปไหนเ็ไปนรกทนันทีแต่ถ้าเราเข้าสมาธิทำสมาธิใจเราก็สงบนะ่ใจเราได้อาหารแล้วสงบทุกครั้งก็ได้อาหารทุกครั้งพูดง่ายๆว่าเรากำหนดลมปับ๊บใจก็ได้อาหารแล้วสงบลงไปแล้ว ถ้าทาบ่อยๆทุกวันทุกวันเวลากลางคืนหรือตอนเช้าก็ให้นั่งสมาธิะสักสิบนาทียี่สิบนาทีหรือจะนานกว่านั้นก็แล้วแต่แต่ว่าประมาณนี้ก็พอดีอยู่ทุกวันทุกวันเราจะได้วันละจะจะได้กี่นาทีเจ็ดวันได้กี่นาทีเดือนหนึ่งได้กี่นาทีนั่นแหละ ให้ทำอยู่เรื่อยๆส่วนกลางวันหรือทำทุราอยู่ถ้าพอว่างกาหนดลมได้ก็ลองกาหนดัดูแล้วก็จะเห็นความจิตของเราสงบชุ่มเย็นลงไปเห็นความสุขขึ้นมาทันทีนั่นแหละเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญเป็นเรื่องสำคัญต่อชีวิตของเราจริงๆ มีความจําเป็นต่อชีวิตของเราจริงๆเรามีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าเราได้ทําอย่างนี้เนะี่ยเราไม่ผิดหวังหรอกเราไปสู่คติภูมิแน่นอนพยากรณ์ตัวเองเลยก็ได้เพราะอะไรเพราะากิจเราเป็นสมาธิเป็นมรรคเป็นผลแล้วมีแต่จะไปสู่ความสุข ก, กันเองก็พยายามรักษาความสุขอันนี้หรือว่าคติธรรมบันสูงส่งนี้ไว้ อย่าให้มันอย่าให้มันหนุดล่วงหายไปหมดไปจากเราให้เราให้มันให้อาหารเก่ใจทุกวันอย่าประมาทบางคนพอสอนได้ในที่นี้แล้วกลับไปก็ไม่ทำ อ, อันนั้นถือว่าประมาถือว่าประมาทเมื่อประมาทแล้วเป็นยังไงเหมือนคนที่ตายแล้ว ม, มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเราประมาท เ, เพราะฉะนั้นอย่าประมาทให้เล่งทําความภาคความเพียรเข้าไว้พิจารณาเข้าไว้พิจรณาก็มีพิจารณาอะไรมากหรอกเห็นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งมีใจคลองและไม่มีใจคลองก็เป็นสภาพธรรมอันหนึง่ง คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์คือทนได้ยากเป็นนาตตาคือไม่มีตัวตนที่แท้จริงที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาว่านี่ของเราของเราให้เราวางใจของเราลงไปถ่ายถอนความทุกข์ น, นี้ออกไปให้เห็นเป็นของ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาัตตาอยู่ตลอดเวลานี่เลเรียกว่าเราให้อาหารแก่ใจใจเราก็จะสูงส่งขึ้นมีความสุขขึ้นมีความสงบมากขึ้นตายเราก็ไม่หวั่นไหวถ้าใจเรามีธรรมะแล้วไม่หวั่นไหวตายก็ตายตายก็ไม่ตกต่ามันจะตกต่าได้ไงมันมีมากมีผลแล้วมีคุณธรรมแล้ว ปฏิวัตดีปฏิบัติชอบระดับนี้มันก็ถูกต้องตามมักแปดอยู่แล้วเราฝึกนี่เห น, นื่อยเมื่อยล้าขน้นไหนใจของเราก็ไม่เหนื่อยตามเลยสบายเปรียงงานพราะฉะนั้นคอให้ตั้งใจทำไปเรื่อยพิจนาไปเรื่อยหัดพิจนาไปเรื่อย